เอื้อมมือไปจับแขนพรานใหญ่ไว้บีบแรงอย่างลืมตัวเป็นเวลานานสักเท่าใดไม่ทราบได้ที่คนทั้งสามพากันยืนนิ่งเหมือนถูกสาบเช่นนี้ต่อมาสำนึกก็กลับคืนมาสู่จอมพรานเมื่อรู้สึกคล้ายๆกับว่าจะได้ยินเสียงดารินกระซิบเรียดนามเขาขึ้นด้วยเสียงอันแห็บพระระพินต่างฝ่ายต่างค่อยๆหันมาสบตา ก, กันและกันอยู่ไปมา แล้วจับจ้องไปยังภาพใจกลางห้องปราสาทอันปรกักพังนั้นอีกครั้งประสาททุกส่วนคล้ายจะถูกยึดขึงไปหมดแทบจะกระดิกกระเดี้ยตัวไม่ได้ต่อมาพรานใหญ่ก็ไหวตัวและนั่นดูเหมือนจะเป็นการปลุกให้ร่างกายของผู้ร่วมสถานการณ์อีกสองคนทำงานขึ้นได้เขาจะหดฝีเท้าอย่างแผ่วเบารู้สติในการย่างเดินเข้าไปทุกฝีก้าว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 ในลักษณะเพอ้อพูดของจอมพเนจรเงสายไม่มีผิดแม้แต่เสี้ยวส่วนเดียวสายตาที่จ้องไม่กระพริบทั้งสามคู่ทะลุครอบบางใสเป็นใยแก้วนั้นลงไปเห็นเรือนร่างที่นอนนิ่งอยู่บนแท่นนั้นอย่างถนัดชัดเจนที่สุดจากลำแสงของสายยันหักการที่สาดรอดเพดานเบื้องบนซึ่งหักพังเป็นช่องทะลุโวอยู่ทั่วไป สตรีสาวนางนั้นงามจากเส้นผมจรดปลายเทา้าเยี่ยงนางงามในสามโลกของวรรณคดีหรือมิฉะนั้นก็เป็นนางในจินตนาการของจิตรกระเหนือไปกว่าจินตนาการอันเพิดเพลนั้นก็คือองค์ค้าพยพที่ประกอบขึ้นด้วยเนื้อหนังมังสาแท้จริงอาได้เกิดจากคํากวีวัตถุอันสลักสลับหรือว่าปลายผู้กันไม่ ชวีกายของนางเป็งปลังผุดพองดูนุ่มเนียนราวกับกลีบกุหลาบเมื่อแรกแยมรับแสงอรุณและหยาดน้ำค้างเมื่อต้นปัดจุดสมัยระหนึ่งว่าตลอดทั้งเรือนกายจะเป็นที่ดูดซับเอาความชุ่มชื้นอ่อนหวานของละอองเรนูแห่งบุพชาตินาน า, นาพันธ์เข้ามารวมไว้หล่อหลอมกันกลองขึ้นมาเป็นสรีระฉะนั้น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 และนวรัตเพชรนิงจินดาอันล้ำค่ะผู้สาทรงยาวกรอมข้อบาทเป็นเ ย, ยระบับด้วยใยทองสลับสีร่างของนางนอนทอดงายเหยียดยาวแขนทั้งสองวางราบแนบสนิทอยู่ชิดกายในท่านิทราอันสงบภายใต้ครอบแก้วอันเป็นโลกน้อยๆของนางนี้มลังมาเลืองสดใสเต็มไปด้วยชีวิตจีวา ผิดกับสภาพอันเก่าแก่รักหักพังที่แวดล้อมอยู่เบื้องนอกแต่หนึ่งว่าจะรักษาความเป็นอมะตะไว้ชั่วนิรันดร์ปะลึงกับภาพที่โผลเข้ามาเห็นในครั้งแรกกันก่อนแล้วเช่นไรก็ตามบัดนี้ทั้งสารชีวิตก็มาพลึงเพลิดกับสิ่งที่เห็นโดยใกล้ชิดนี่อีกครั้งหนึ่งความหาัศสรจันใจทำให้ลืมตนหมดทิ้นความเป็นตัวของตัวเองลงอีกครั้ง มืนตกอยู่ในห่วงฝันซึ่งจะเชื่อจะมิได้พันธุมมวดีนางพญาแห่งนิทรานคอในความเงียบขนาดเข็มตกได้ยินนั้นเสียงหม่อมราชวงศ์หญิงวดารินวราริศผ่านลำคอออกมาอย่างไม่รู้สึกตัวครั้นแล้วทันทีนั้นเองเหนือกว่าความงามอันละเมียดละไมทั้งมวลของร่างที่ทอดนอนสงบนิ่งอยู่ สิ่งหนึ่งก็ปรากฏให้เห็นคานขึ้นเป็นสิ่งที่มองเห็นอย่างสะดุดตาง่ายที่สุดบุญคำกระตุกแขนรับพินโดยแรงตาเหลือกลานเอามือชี้ให้ดูส่วนปากที่อ้าพงาบเหมือนจะบอกความถ้าว่าไม่มีเสียงใดจะผ่านลำคอออกมาได้และพรานใหญ่ก็แลงลงไปเห็นพร้อมกับแกนั่นเองโดยไม่จำเป็นจะต้องบอกสิ่งนั้นมันแทบจะทาให้เลือดในกายทุกยต จับกันเต็มก้อนแข็งเบื้องอุระประเภทอันปืยปล่าระดับไว้แต่เพียงสังวานเพชรและสายไข่มุกกึ่งกลางระหว่างประทุมถันอันต็งตั้งชูชันงามสะพังเกลี่ยเกาประดุดสลักสลาด้วยงาช้าง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 โลหิตอันแห้งกรังจากรอยบาทแผลที่ถูกไม้เสียบปรากฏเป็นคราบไหลอาบไปทั่วส่วงระหว่างที่พรานใหญ่จ้องตาโตเสียงดารินร้องเอ๊ะลั่นออกมาอย่างตกใจขีดสุดมันหมายถึงว่าหลอนเองก็เพิ่งจะมาสังเกตเห็นในความผิดวิกล น, นั้นในเวลาไล่ไล่กันนันัน้นไม้มามามาไม้อันนั้น บุญคำอุทานเสียงสั่นระรัวออกได้เพียงแค่นั้นก็หมดเสียงที่จะกล่าวต่อไปได้หน้าซี่จนเซียวอาการของแกเหมือนจะช็อกลงในบัตรนั้นรพินไม่อันนั้นมับมับ ม, มัมันมาปักอยู่บนรวงออกของนางพญาในโรงแก้วนี้ได้ยังไงดารินตะโกนออกมาสุดเสียงจอมพรานแยกเขี่ยวรีตาลงแล้วสันส่นศีรษะอย่างมึนงง เขาเองก็ตกอยู่ในอาการพิศวงสยองใจไม่ผิดอะไรกับดารินและบุญคำในขณะนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับคุณหญิงดูให้แน่ซิมันเป็นหอกไม้ของคุณอันนั้นหรือเปล่าที่ที่คุณเสียปักอกคอ้างคาไปเมื่อคืนวานซืนน่ะหญิงสาวพูดอย่างยากเย็นแต่จะสะกดกลั้นความรู้สึกอันพิพักพิพวนวาสิวอยู่ต่อไปไม่ได้กระพินกัดริมฝีปากแน่น ค่อยๆก้มลงไปดูจนชิดครอบแก้วผลึกนั้นเสียงบุญคำก็สำลักมาว่าบุญคำกล้าสาบานนายให้ตายดับเดี๋ยวนี้เธอนั่นมันปลายหอกไม้ทาเลือดประจำเดือนที่พรานใหญ่เสียบอกค้างคาวไปเดี๋ยวนี้มันมาปากอยู่บนอกผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงโอ๊ยนัโมตัสะระโยกหลังแกสวดมนต์เร็วหรือฟังไม่ได้สับ สั่เทิมไปหมดทั้งกายดารินสติแลว้วไหวพริบดีเยี่ยมเอื้อมมือมาตบหลังปลุกสติและคว้าคอตาพรานเท่าไว้มัน่นบ้องกันไม่ให้แกเพ่นตะเลิดไปด้วยความกลัวจนสุดขีดลืมตัวราพินก็ร้องบอกมาด้วยเสียงหนักๆว่าระวังบุญคําไว้คุณหญิงอย่แกวิ่งเปิดไปสกักก่อนขอผมพิจารณาหน้ า, หนาให้แน่สกัก่อนเถอะรู้สึกว่าเรากำลังเข้าถึงต้นแหล่งของความลีลบมาตร์สัจจ์ทั้งหลายแล้ว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 เสียงมันเริ่มขยืยอืดและเพยเยอให้เห็นเป็นปากช่องโว่ทั้งสองช่วยกันออกกำลังเต็มที่ปากรานเท่ามารู้สึกตัวอีกครั้งก็ต่อเมื่อเรพินร้องตะโกนเรียกขอแรงมาจึงกระโดดเข้าไปช่วยอีกคนหนึ่งมันเลื่อนออกด้วยกำลังสุดฤทธิ์ของคนสามคนเฮยเป็นช่องโว่กว้างยาวประมาณ1นคูณเมตรกึ่งกลางของแท่นหินอ่อนนั้นพร้อมกับกลิ่นอับๆของดินที่โชยขึ้นมากระทบจมูก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 สายตาที่ปราดเข้าไปเห็นระพินไพรวันก็จ้องพินิษ์ใคร่ครวญเขายังไม่ทันจะเคลื่อนไหวต่อไปอย่างใดทั้งสิ้นบัตรโดนก็รู้สึกว่าพื้นเบื้องหลังลั่นพร้อมกันก็ได้ยินเสียงแหลมของดารินร้องขึ้นกึกก้องว่าระวังข้างหลังมันช้าไปแล้วสำหรับซี่วินาทีครับอันคับขันฉุกเฉินขีดสุดนั้นเพราะแม้แต่จักรสุประสาส์ของเขาก็ยังไม่ทันจะสะท้อนภาพให้เห็นได้ชัด ขณะเมื่อเหลี้ยวกลับมาทางเบื้องหลังตามเสียงร้องกรีตดของดารินนั้นเงาทะมึนของร่างหนึ่งยืนคร่อมประชิดอยู่ทางเบื้องหลังมือกามีดแหลมยาวสอกเศษยกชูขึ้นสุดละเป้าหมายที่จะกระ น, นำจ้วงลงมาในขณะ น, นี้มันพอดีกับคอหอยของพรานใหญ่ผู้เลี้ยวกลับไปพอดีก่อนประสาทจะทันสั่งงานใดๆเขาเห็นขาดเพียงชั่วแวบเช่นนั้นชั่วระยะเวลาดับจิตนี้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 ขณะนี้มันกําลังดิ้นรนสุดริบเด็ดพละกําลังทุกชนิดเท่าที่มีอยู่ใบหน้าเยี่ยงผีดิบนั้นไม่มีอะไรจนน่าสะพึงกลัวเท่าข้อมือที่กํามีถูกจับไว้มัน่นอีกมือนึ่งควายคว้าฟัดเวียงมีอาการเหมือนคีมเหล็กที่จะฉีกแหวะเนื้อหนังมังสาของผู้บังอาจเข้ามาสกัดกั้นมันอยู่ในขณะ น, นี้ให้ขาดจุ้ยติดมือออกมาด้วยเล็บกระดุกนิ้วซึ่งมีลักษณะไม่ผิดอะไรกับตีนเสือ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 และฟันสามสี่ซี่ที่โผล่เขยิ้อนออกมาตลาซี่ดูเหมือนจอบปาบิดสนิทลึกเข้าไปในบ้าสภาพของมันคือศพตายซากซึ่งมีสภาพกลายเป็นหินเาทั้งสองของหญิงสาวหลุดลอยจากพื้นเพราะการอุ้มรัดจากเบื้องหลังนั้นหล่อนกำลังดิน้นและส่งเสียงร้องอยู่สุ ด, สดเสียงจอมพลันพุ่งเข้าใส่บางแรกที่ประเคออกไปชนิดที่นอกเหนือคาสั่งของสมอง นอกจากสัญชาตญาณจะบังคับคือกำปั้นที่กำแข็งเปรยะและมือข้างนั้นของเขาก็รู้สึกเหมือนจะหักซนเข้าไปในสภาพไม่ผิดอะไรกับต่อยหินหรือท่อนไม้มันอุ้มดารินลากถอยหลังเข้าไปในโพรงซอกหินที่โผล่มาพระพินใจหายวูบร้องตะโกนและล่ําละลักบอกบุญคําซึ่งยังตะลึงอยู่ตัวเขาเองเพ่นเข้าไปที่ไรเฟิลซึ่งตกอยู่กระโจนเข้ามาอีกครั้ง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 แล้วก็ปรีทื้อเข้ามาอีกระหว่างที่เขาตะลึงมองอาการของมันปากกระบอกไรเฟิลก็ถูกปัดเฉไปมืออันใหญ่โต อ, อีกครั้งก็ยื่นรั้วเข้ามาที่ก้านคอระพินก้มลงหลบแล้วเพนถอยห่างออกมาอย่างอกสานขวัญหายสุดที่จะตัดสินใจอย่างไรได้ถูกประวัติผานท้ายหวดและยันกระทุ้งอีกครั้งทั้งถอยกรูดเข้าไปชิดมุมระหว่างนี้เอง ดารินผู้เริ่มจะได้สติขึ้นมาอีกครั้งก็ระเบิดกระสุนปืนสั้นในมือเข้าใส่สนั่นวันไวเสียงของกระสุนเจาะผ่านร่างอันมีสภาพเป็นแต่เพียงวัตถุของมันได้ยินอย่างถนาดนับทะลุลอยออกทางด้านหลังไม่มีสั ญ, ญลักษณ์ใดๆที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าลูกปืนสามารถจะหยุดยัง้งหรือสร้างความเจ็บปวดอันควรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของสิ่งมีชีวิตได้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 มัวแต่ยืนตะลึงเซอทำอะไรไม่ได้เลยนั้นบัดนี้ได้สติขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเห็นภาวะอับจนขับขันขีดสุดของเจ้านายก็ะจรเข้าไปที่แท่นหินตรงที่คุกเข่าอยู่ครั้งแรกสิ่งที่คว้าติดมือขึ้นมาไม่ใช่ไรเฟิลประจำตัวหากแต่เป็นหอกโมกขะศักหรืออีกในหนึ่งไม้เสี้ยมปลายแหลมที่ทาไว้ด้วยเลือดจากผ้าซับประจาเดือนซึ่งกระถือติดมือมาด้วยทุกระยะโดยไม่ยอมทิง้ง แล้วควงร่าแพ่ตวาดออกมาสุดเสียงพลางพุ่งสวนแทงก็ไปยังสีข้างของไอ้อสุรกายซึ่งกําลังควานมือเข้าไปหาคอหอยพรานใหญ่อย่างวุดบิดอยู่ในขณะ น, นี้เสียงปลายไม้ทิ่มกระทุ้งถูกร่างกายอันเป็นวัตถุแข็งนั้นดังกึกแต่ก็ได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อร่างนั้นสูงใหญ่เรากะท่อนหินพั ง, งาตะแคงลู่เสียหลักไปด้านหนึ่งเราก็มีพลังอํานาจที่มองไม่เห็นจากปลายหอกไม้นั้น เปิดโอกาสให้พรานใหญ่กระโจนหลุดพน้นออกมาจากซอกอันอับจนนั้นได้ชั่วขณะมันหมุนตัววูบเข้าประจันหน้ากับบุญคำซึ่งบัดนี้ถือหอกไม้ในท่าเฉียงอาวุธทั้งสองมือรุกไล่เข้าทิ่มแทงโดยไม่ยัง้งให้ผีดิบขยับตัวจะถือเข้ามาแต่แล้วก็ชะ ง, งักงนันเหมือนสัตว์ป่าที่เผชิญหน้ากับไฟฉะนั้นบุญคำไม่ยอมเสียโอกาสกระทุ้งโครมเข้าไปกลางซงอกอันกว้างใหญ่ของมันเต็มเหนียว ร่างนั้นงายพึงลู่ระเนนเข้าไปประทะกับซอกผนังหินแล้วถอยอยู่กรูดกรูกรูดในลักษณะอาการขามขยาดหวาดกลัวอย่างลนลานบุญคําไล่กระทุงแทงต้อนมันให้ถอยหนีเข้าไปอยู่ในซอกมืดด้านหนึ่งเปิดโอกาสให้รพินกับดารินตั้งตัวได้อีกครั้งหญิงสาวเหลียวซ้ายเหละขวายอย่างลนลานแล้วยัดปืนสั้นที่กระสุนงดรางเพลิงเข้าซองโจบไปที่ไรเฟิลจุดสามเวเธบีของหลอน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 ปรากฏเดินถือออกมาจากซอกต่างๆเต็มไปหมดเรากับว่ามันจะถูกปลุกให้ฟื้นคืนชีพและยกขยโยงกันขึ้นมาจากสุสานที่เก็บร่างเคลื่อนเข้ามาหมายเล่นงานมนุษย์ทั้งสามชีวิตที่ถลำกัมาในถินของมันแต่ละร่างใหญ่โตมาคือมาสูงเกินกว่าหกฟุตขึ้นไปทั้งสิน้นและมีรูปร่างหน้าตาแปลกๆ ก, กันออกไปเห็นแล้วหัวใจแทบหยุด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 ปลุกให้พวกมันกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาพร้อมด้วยเจตนาร้ายเหมือนหุ่นยนต์ที่ถูกคลื่นวิทยุสั่งการให้ปฏิบัติงานพร้อมกันหมดระพินกับดารินถอยกรูดหันหลังเข้าชนกันจ้องด้วยดวงตาแทบถลนออกมานอกบ้าไม่ว่าจะเหลียวไปทางใดเพื่อหาทางเพห น, นี้แหกล้อออกไปก็ปรากฏว่าหมดหวังทุกลู่ทางมีร่างของอสุรกายผีเปรตเหล่านั้น โคลนุ่นเนื่องกันเข้ามันแน่นไปหมด ท, ทั้งทั้งที่ระหว่างผ่านเข้ามาสู่ห้องปราศาสตร์นี้ในครั้งแรกหมอไม่เห็นวี่แววเลยว่าซากของมนุษย์ที่ตายเป็นนานนมแล้วเหล่านี้ถูกบรรจุซ่อนไว้ที่ไหนทุกใบหน้าอันไม่มีอะไรจะน่าหวาดเสียวสยองสะพึงกลัวเท่าเหล่านั้นมีอาการเหมือนจะเสแยะจิม้มมืออันเป็นหนังหุ้มกระดูกก็ขยับกลางอ้าออกไรเฟนในมือของบุคคลทั้งสอง แผดประสานเสียงกันดังสะท้านวันไหวไปทั้งครูหาห้องกว้างนั้นมันเป็นการประจันบานกันอย่างเผาขนที่สุดนักพร้อมกับเปลวอันร้อนแรงจากการยิงในระยะประชิดพู้ก็หายถูกไหมที่บีบล้อมเข้ามาอย่างแช่มช้าโดยไม่คลาดเคลื่อนสิ่งที่เห็นก็คือร่างเหล่านั้นถูกอำนาจปืนผลให้ส่วนเซราสันาสายไปบ้างเท่านั้นทั้งสองกนํายิง ยิง ก, กระปัาะกระสุนหมดซองที่บรรจุอยู่ในไรเฟิลแล้วก็แปรสภาพปืนยาวให้กลายมาเป็นอาวุธพิมพ์กระทุง้งหวดวตะเคีนต่อต้านสกัดไว้อย่างไม่คิดชีวิตเป็นการตะลุมบอลอย่างเข้าถึงตัวจ้าละวันสับสนไปหมดเสียงดารินร้องคำรามลั่นออกมาตอนบ้าเลือดไปซะแล้วจากความหวาดกลัวพลันรึ้อขีดสุดต่อเหตุการณ์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 ด้วยเรียวแรงที่ไม่ทราบว่ามาจากไหนและอย่างน้อยที่สุดมันก็รุนแรงพอที่จะทำให้สภาพอันกลุ่มรุมอยู่เหล่านั้นพังะเซกระจัดกระจายออกไปโดยไม่สามารถจะเข้าถึงตัวได้โดยง่ายหลายร่างถูกฟาดอย่างถนัดทนีล้มคว่ำลงไปแต่แล้วมันก็ค่อยๆโงนเงินลุกขึ้นและปรีหนุนเนื่องเข้ามาอีกทางด้านระินก็ยันปะทไว้อย่างสุดฤทธิ์เข้าใช้ท้งเทา้า และลำปับกระบอกปืนอันหนาหนักทิ่มกระแทกเข้าไปที่อกอันเต็มไปด้วยหนังกับกระดูกแล้วผ่านท้ายก็เหนียวกระนำกระหม้กล้าคอและส่วนใบหน้าอันน่าเกลียดน่ากลัวเหล่านั้นมันเสียหลักหมุนไปนไปทุกร่างที่โดนเข้ายางถนัดถนีเพราะขนาดและน้ําหนักของแต่ละตนเหล่านั้นก็ไม่มากมายอะไรเกินไปนักอาศัยที่ฝ่ายมนุษย์ซึ่งพร้อมทั้งเลือดเนื้อและวิญญาณ มีความรวดเร็วว่องไวมากกว่าในการเคลื่อนไหวมันพยายามที่จะหนุนเนื่องเข้ามาพยายามที่จะเอื้อมมืออันเต็มได้วยกระดูกเข้ามาควายคว้าซึ่งก็ไม่มีสิ่งใดบอกได้ว่าถ้าอุ้งมือนับไม่ถ้วนซึ่งชูร่อนรอบตัวเข้ามาเหล่านั้นจะถูกต้องร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของฝ่ายมนุษย์ที่ต่อสู้หลบลีกอยู่ในขณะ น, นี้จะเกิดอะไรขึ้นบุญคาพร้อมกับหอกงอกกระสัของแก ก็เพ่นเลี้ยวเข้ามาช่วยพรานใหญ่กับนายหญิงผู้บัดี้กำลังระสํราระสายเต็มที่ทั้งตีกราดและทิ่มแทงเป็นพันละวันปากก็แพรร้องประโกนสาบแช่งเอ็ดอึงไม่เสียมปลายแหลมซึ่งดูไม่น่าจะมีความหมายอะไรเลยอันเป็นอาวุธประจมือของตาพรานเท่าอยู่ในขณะ น, นี้ส่งผลให้เห็นชัดขึ้นแต่กระนันตีปุกไปทางใดด้านน้นก็แตกกระจายถอยลู่ออกเป็นทางยิ่งกว่าลูกปืน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 หยัดเยียดหอกไม้อันนั้นไวในมือของหญิงสาวตัวกเองกระชากดาบหัวตัดที่ขัดหลังออกมาแล้วก็กระโจนเข้าไปที่พรานใหญ่ผู้กำลังตกอยู่ในฐานะครับขันท่ามกลางวงล้อมอันดำมืดเวียงมือเวียงดาบฟันชะปากก็ตะโกนเข็งใจไว้หน่อยใหญ่มันถึงตัวได้เข็งใจไว้หน่อย ดนนั้นเองท่ามกลางความสับสนอลมานขิดสุดภายในห้องปราสาทหินเบื้องนอกก็แสสนันขึ้นโดยเสียงไรฟ้นและลูกซองมันดังประสากนกันกึกก้องปานว่าจะทลายนรกให้พินาศลงและดังอยู่ใกล้ๆบังเหลี่ยมหินกันอยู่ห่างไม่เกิน29ก้านี่เองพร้อมกันก็มีเสียงตะโกนลั่นมาว่าเอามันกระพินผมอยู่นี่ เสียงปืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงตะโกนที่แวววเข้ามานั้นทำให้ทั้งสามชีวิตมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตายแล้วเกิดใหม่มันเป็นเสียงของแผงของราชวงศ์เชือทาวราลพี่ยายดารินผู้ใกล้จะหมดแรงอยุดเต็มที่ร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นยินดีตื่นรพินกับบุญคำเองก็ชงงักไปชั่วเสี้ยววินาทีหนาของใครคนหนึ่ง เห็นรูปลงมาจากช่องโวของเพาดานด้านบนมือกำดาบเดินป่าเล่มยาวควงร่ามาเป็นจักผันแางก็ส่งเสียงหัวร้อนสนั่นวันไหวใครยินมาแล้วตาเท่ายาถอยนั่นคืออดีตนักเลงใหญ่แห่งหล่มช้างหรือองคุลีมานแห่งไพรลึกพร้อมกับเสียงตะโกนบอกมันก็เหาะเร็วลงมากวัดแก ว, ดกวงดาบในมือร่มรันกับเจ้าพวกผีดิบโดยไม่เลือกหน้า แผดเสียงหัวเราะไปพลางยังปราศจากการพรั่นรึงหวาดกลัวแม้แต่น้อยเชินปากประตูเข้าออกอีกสองด้านนั้นร่างอันปราดเปรียวของสร้างปากับเซยก็บุกหนุนเข้ามาอย่างรวดเร็วดุเดือดตะโกนร้องบอกเข้ามาฟังไม่ได้สับท่ามกลางการชุลมุนสุดขีดนั้นเบื้องนอกเสียงไรเฟิลยังคงระเบิดกับนาคหูดับตับไม่อยู่เช่นนั้นตะบนไปกระเสียงแผ่นดินลั่นสะเทือน และผนัง้าร่วงถล่มอยู่คลื่นโครมราวกับเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในชากการต่อสู้ยังสับสนอลมานระหว่างมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อวิญญาณกับเจ้าพวกผีดิบซึ่งมีร่างกายเหมือนตุ๊กตากนเหล่านั้นระพินกับดารินมองเห็นผู้ดิโ่โลกเข้ามาร่วมเหตุการณ์อีกสามคนได้อย่างถนัดขาดแต่เพียงเชิฐาและเกิดซึ่งใช้อาวุธปืนยิงสนันอยู่เบื้องนอกขณะนี้เท่านั้น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 นั่นเป็นเสียงของเชืฐาซึ่งยังมองไม่เห็นตัวตะโกนสั่งการเข้ามาขยินเสยและสางปาซึ่งเพิ่งจะกระโจนเข้ามาร่วมเหตุการณ์พยายามรวบรวมกำลังปีหักตะลุยเข้าไปหมายจะช่วยแก้ไขชุดล่าพรานใหญ่ก บ, บุญคาออกมาให้ได้ระพินกำลังจะหมดกำลังอยู่รอมร่อท่านใดสิ่งหนึ่งก็แวบขึ้นมาสู่สมองคุณยิฉันอยู่นี่เร็ว พยายามบุกไปที่ใต้แท่นหินนั่นกระชากิกีออกมากระชากลีออกมาเร็วๆครับดารินทะหลันเข้าไปที่แท่นหินอ่อนอันมีร่างของพันธุมวดีปันทมอยู่ในคราบแก้วพลึกไอ้ผีดิบสามสี่ตัวพลาดจากการรุมล้อมกระชากถึงขยินหันหน้าจังกล้าเข้าขวางล่อนไวหถึงสาวกัดฟันแน่นใช้หอกไม้แกวางกวาดออกไปได้ผลอย่างยิ่งพวกมันพังงะล้นลาน คอยกรูดเปิดทางให้พลหน้าออกไปหมดพริบตาต่อมาหันก็พุ่งถึงตำแหน่งซอกโพรงใต้แทน่นเอื้อมมือกำด้ากรีบไว้กระชากสุดแรงเกิดลุดปิดมือออกมาในพริบตานั้น แล้วสิ่งประหลาดมหัศจรรย์ก็พลันปรากฏขึ้นทุกร่างของศพตายซาตที่เคลื่อนไหวอย่างดูร้ายอยู่ในขณะนี้ชะงักนิ่งอยู่กระที่ราวกระตุกกตากลที่หมดพลังงานบังคับแล้วล้มเป็นท่อนไม้ระเนระนาดอยู่ตามพื้นทั่วไปสัปปะสําเนียงอันคลื่นคลั่นวันไหวเหมือนแผ่นดินปะทุเดือดก็พลันสงบเงียบหายไปราวกระฟิกทิ้ง ท่ามกลางความตะลึงพึงเพลิดของทุกคนที่ร่วมเหตุการณ์อยู่เชษฐากับเกิดถือไรเฟินวิ่งถล่มเข้ามาภายในห้องปราศาท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 รพินรีบโรล่เข้ามาคว้ากริตที่ยังถือค้างอยู่ในมือของดารินไปยึดไว้แล้วปาดเข้าไปที่โพรงใต้ซอกขินโดยไม่ยอมให้สภาพที่ได้พบกันนั้นทําให้เสียเวลาไปแม้แต่นิดหนึ่งเขาก็งลงหยิบคำภีรดําคล้ําจากแท่นออกมาโดยเร็วด้วยมืออันสั่นเทาความรู้สึกในขณะนั้นบอกไม่ถูกว่าจะดําเนินการอย่างใดกับมันแต่สิ่งที่สมองสั่งการคือเคลื่อนย้ายมันให้ออกมาจากตําแหน่งที่เคยวางอยู่นานนับร้อยๆยศตวรรษนั้น ให้เร็วที่สุดต่างฝ่ายต่างไม่อาจาเอ่ยคำพูดใดออกมาได้จริงๆได้แต่อุทานและจ้องมองภาพที่แวดล้อมอยู่รอบตัวและทุกสายตาก็พุ่งจับมาที่เขาเป็นตาเดียวพระพินยังคงถือวัตถุประหลาดชิ้นนั้นไว้ในมือด้วยอาการตัดสินใจไม่ถูกเชษฐาวราฤทธิ์ดูเหมือนจะเป็นคนเดียวที่สามารถควบคุมสติและเยือกเย็นต่อเหตุการณ์ได้มากที่สุดอดีตท่านทูตทหารบกหัวหน้าคณะ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 ทำไมถึงหมดฤทธิ์ลงไปละ่ะจอมพรานเม้มริมฝีปากแน่นก้มลงมองดูกริตที่กำแน่นอยู่ในมือดารินก็สำลักออกมาได้เป็นประโยคแรกแทบจะทำฟังไม่ได้สับว่ากริตเล่มนั้นสิครับพี่ใหญ่ระหว่างที่ชุลมุนกันอยู่นะ่ะพรานใหญ่ร้องบอกให้น้อยเข้าไปกระชากกริตที่ปากครึงอยู่กับคำภี์ใต้แท่นนี้ออกพอมันหลุดติดมือน้อยเข้ามาเท่านั้นแหละไอ้พวกผีดิบเหล่านั้นก็หยุดการเคลื่อนไหวล้มลงหมดพร้อมกันเลย เชิฐขาเอื้อมมือออกไปรับกริดและคำภีร์ประหลาดมาจากมือของพรานใหญ่อาการของรพินยังอยู่ในภาวะมึนงงจับต้นชนปลายไม่ถูกอยู่เช่นนั้นถ้างั้นก็แปลว่าไอ้สองสิ่งประหลาดนี่เองเป็นที่มาของความลี้ลับมหัศจรรย์ทั้งหลายหัวหน้าคณะพูดด้วยเสียงเกรีย ม, ยมแล้วจ้องไปยังภาพของสตรีงามในอาภรณ์เครื่องประดับของนางกษัตริย์ซึ่งนอนสงบนิ่งอยู่ในครอบแก้วพลางเคลื่อนเข้าไปพิจารณาอย่างใกล้ชิด คนทั้งหมดในที่นั้นก็กระจายกันออกยืนรายล้อมแท่นรอบด้านปะลึงดูด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจบอกถูกความเงียบปกคลุมขึ้นชั่วขณะนี่ควรจะเป็นพันธุมวดีราชนีแห่งนครหลับใช่ไหมเสียงห้าห้าของเชีฐยวถาทำลายความเงียบขึ้นเหมือนจะขอความเห็นไปยังทุกคนครับขณะนี้เราเข้ามาประเชิญกับต้นแหล่งอันเป็นเหตุแห่งความมหัจันทั้งปวง ที่เผชิญกันมาโดยตลอดแล้วล่ะครับคุณชายอืงามเหลือเกินแล้วก็อัศจรรย์เหลือเกินหัวนาคณะพื้นพันตาจับจ้องพินิษพิเคราะห์ร่างในครอบแก้วจากเส้นผมลงไปจนกระทั่งถึงปลายเท้าแล้วมาสะดุดชะงักที่ท่อนไม้เรียวแหลมซึ่งปกักคาอยู่กลางสวงอกมีรอยหักอยู่ครึ่งหนึง่งอะไรนั่นไม้ท่อนนั้นมันมาจากไหนทาไมถึงได้ปักอกเธออยู่เช่นนั้น แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นรอยใหม่ๆทีเดียวมีเลือดซึมออกมาให้เห็นนั่นด้วยดารินกบุญคำมองหน้ากันเองแวบหนึง่งแล้วจ้องไปยังรบพินพรานใหญ่ขณะนี้กำลังยืนสงบมองอยู่ที่ร่างของพันธุมวดีสมองของเขาจมอยู่ในทะเลแห่งความครุ่นคิดพิศวงใบหน้าเต็มไปได้วยริ้วรอยจนแลดูแก่ลงไปถนัดเขาไม่ได้ปริ ป, ปากพูดคาใดและดูเหมือนจะพูดได้น้อยที่สุดในภาวะเช่นนี้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 แล้วตอนปลายก็หักติดอกค้างคาวตัวนั้นไปหล่อนพูดได้แค่นั้นก็หยุดกลั้มกลืนบางสิ่งบางอย่างลงคงไม่อาจกล่าวต่อไปได้เฉถาจ้องหน้าขมิ้งแล้วไงอีก่ะบุญคำอ้อมแอมตอบแทนมาว่าแลวเมื่อเราพบนางพญาที่นอนอยู่ในโรงแก้วนี่เราก็พบว่ามีหอกไม้ของพรานใหญ่เสียติดอกข้างค า, าวไป มันมาปากติดอกของนางพยาพันธุมวดีอย่างที่เห็นอยู่นั่นสาบานได้เลยครับสาบานได้ว่ามันเป็นไม้ท่อนเดียวกันเชื้อทาลืมตาโผล่เกิดเสยและจันผู้เป็นอีกฝ่ายที่เข้ามาร่วมเหตุการณ์ภายหลังพึมนพันอะไรออกมาแซดในลําคอแล้วหันไปบอกความแปลให้กระเลียงขยินและเจ้าตองสู่สางตาเข้าใจความหมายสงคนนั่นตาเหลือเป็นความจริงเหรอผิด อดีต ท, ท่านทูตทหารบุกต้องการได้รับคำยืนยันอีกครั้งจากจอมพรานผู้บตดนี้มีอาการซึมเหมือนคนใบ้เบื่อตาสีเหล็กเกรียมกล้านคู่นั้นจึงเบนมาสบเขาจริงครับคุณชายที่คุณหญิงกระ บ, บุญคำเล่าเป็นความจริงทุกอย่างครับเช่อฐาจ้องหน้าพรานนำทางอย่างพิพพนิษพิเคราะห์แล้วยิ้มให้เอื้อมมือมาตบไหลเบาๆอย่างปราณีระพิน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 เอาเป็นว่าคุณอธิบายในเหตุการณ์เฉพาะหน้าผมรู้ก่อนดีกว่าน้อยกระ บ, บุญคำด้วยเช่นกันถ้ารู้เห็นมาด้วยกันผมไม่ทราบจะพูดอะไรถูกพรานใหญ่สารภาพอย่างมึนงงแล้วเหลียวไปรอบๆคือก่อนที่จะเกิดตะลุมบอกับไอ้พวกผีดิบนี่ผมปวดตามแง่า ย, ายกับเจ้าวายร้ายมันไรนั่นออกไปแต่ก็ถูกสกัดกั้นซะเชิดถาบุกมือ ไม่ต้องไปกังวลถึงเรื่องนั้นก่อนหรอกตอนที่บุกล้อมเข้ามานะ่ะผมเห็นแล้วเห็นแง่ทรายกวดไล่ไอ้ไตายซากพันปีนไปติด ต, ต, ตามปา่าหินผมกับพวกเราพยายามสกัดแต่ไม่ทันหลบมุมหินเพียงนิดเดียวก็หายลับไปด้วยกันทั้งคู่เราก็เลยเปลี่ยนเข็มบุกเข้ามาช่วยคุณกระน้อยก่อนไอเรื่องแง่ทรายกับไอปุโรหิตผีร้ายนั่นพักไว้ก่อนก็ได้ว่ากันถึงเหตุการณ์เฉพาะหน้าขณะนี้นะ่ะวินาทีฉุกเฉินขีดสุดมันเกิดขึ้นยังไง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 แล้วก่อนที่ใครจะทันแตะต้องกริดหรือคำภีไอผีดิบมันอะไรก็โผล่มาทางด้านหลังอย่างลึกลับที่สุดมันเงื้อมีดจ้วงแทงฟาร์นใหญ่ถึงตอนนั้นเงษายก็โผล่มาจากไหนก็ไม่ทราบเหมือ น, นกันประจอนก็คว้ามือของมันไว้ทันเกิดต่อสู้กันขึ้นเมื่อ น, นั้นเองพวกเราจึงตื่นจากตะลึงและเกิดการต่อสู้ขึ้นสับสนไปหมดเพราะไอพวกผีดิบทั้งหลายนะ่นมันแหกผ น, นังรอบด้านนี่พากันแห่เข้าเล่นงานเงษายหรอกเหรอ ที่โผลเข้ามาช่วยคุณไว้ในวินาทีฉุกเฉินขีดสุดเชษฐาส่งคำถามมาอย่างประหลาดใจยอมฟานกม้มศีรษะลงครับเป็นความจริงครับขณะนั้นน่ะผมไม่ทันรู้ตัวเลยมัวแต่ต ะ, ตะลึงมองกริดกระคำพีมันย่องเข้ามาข้างหลังเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบถ้าไม่ติดแง้ทรายที่โจรเขาใส่ยางทันการสยก่อนน่ะผมคงถูกมันแทงแล้วเพราะหลบไม่ทันครับหัวหน้าคณะพยักหน้าช้าๆเม้มริมฝีปากแน่น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 มันได้มาเสียบคาอกผู้หญิงที่นอนอยู่นี่ระพินตอบอยางยากเย็นขยับตัวจะหาทางเปิดฝาครอบแก้วผลึกนั่นขึ้นแต่เชื้อฐานเหนียวไหลไว้เฉยว่าก่อนระพินปล่อยไวอย่างนั้นแหละพิจารณากันให้รอบครอบทีท่วนที่ฉุนซะก่อนที่จะทำอะไรลงไปขณะนี้จะเย็นได้แล้วคุณตอบคำถามของผมหน่อยเถอะข้างคาวสูบเลือดตัวนั้นเราทั้งหมดเผชิญกันมาหลายครั้งแล้ว ยิงกันด้วยปืนก็นับครั้งไม่ถ้วนลูกปืนของเราเหล่านั้นไม่มีท่าเลยว่าจะทําอันตรายอะไรมันได้สมมหาอะไรก็หกซึ่งทําด้วยไม้เหลาเสียมปลายแหลมของคุณอันนี้จอมพรานอึ้งกระพริบตาปริปรบๆมองหน้าดารินกะ บ, บุญคําเหมือนจะให้ช่วยอธิบายแทนหญิงสาวเองก็พูดไม่ออกตาพรานเท่าจริงทําหน้าที่บรรยายเร็วปรือไปตามประษา ข, ของแกเชื้อถามมีสีหน้างงจัด แต่ภายหลังจากสอบซักอยู่ครู่ก็พอจะเข้าใจได้เราๆบุญคําคว้าหอกไม้อีกอันหนึ่งที่ดารินยังถือเ ร, ร่อาๆอยู่ในมือส่งไปให้หัวหน้าคณะดูหอกไม้อย่างเดียวกันนี่แหละหนายใหญ่ถ้าเมื่อกี้นี้บุญคําไม่มีติดมือมาด้วยก่อนที่นายใหญ่จะบุกเข้ามาช่วยทันบุญคำํำรานใหญ่แล้วก็นายหญิงคงถูกพวกมันรุมฉีกเนื้อเหลือแต่กระดูไปแล้วละ่ะเชื่อทารับมาดูด้วยความรู้สึกอันบอกไม่ถูก ครางออกมาแปกมากไอ้ไม้กายสิทธิ์ของบุญคําท่อนนี้เล่ะมันไม่น่าเชื่อเลยจริงครับพี่ใหญ่น้องสาวรีบบอกมาด้วยโดยเร็วด้วยน้ําเสียงยืนยันมั่นคงนี่ทํำไมได้ไม้ทาเลือดประจําเดือนของบุญคําท่อนนี้เราสามคนเสร็จกันไปหมดแล้วหรอกอย่างน้อยที่สุดในวินาทีสุดท้ายน้อยก็ใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวแหวกทางรุมล้อมสกัดหน้าของพวกมัน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 ทำให้ต้องสะดุดชะ ง, งักและทวงเวลาการติดตามของเราให้ล่าช้าอยู่ตลอดเวลารอยครั้งสุดท้ายมาชะ ง, งักเอาตอนเมื่อฝนตกหนักและต้องหยุดพักหลบฝนตั้งแต่บ่ายไปจนค่ําแต่ก็โชคดีไปอย่างที่ฝนตกขณะ ท, ที่เราติดฝนกันอยู่เหนือฝั่งห้วยตอนหนึ่งต่ําลงไปจากที่นี่เราก็ได้ร่องรอยของคุณชายแทรกซ้อนขึ้นมาคือปลอกกระสุนลูกซองกับก้นซิก้าลอยตามลําห้วยไปให้เห็นพอรุ่งขึ้นคือเมื่อเช้านี้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 รับพินและบุญคำเข้าที่นี่เดี๋ยวนี้เพียงดีใจนึกว่าจะมีชยันและเม ร, ร่วมอยู่ด้วยเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองว่าทั้งสองคนนั่นอยู่ในภาวะสาบสูญป่า น, นี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ผมมั่นใจนะครับว่าทั้งสองคนจะต้องยังมีชีวิตอยู่พ่านใหญ่กล่าวด้วยเสียงหนักแน่นมั่นคงเต็มไปด้วยความหวังจากการตามรอยมาทุกระยะจนกระทั่งรอยที่พบครั้งสุดท้ายคือเมื่อบ่ายวันนี้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 มันหาด้วยมันหาทำด้วยแก้วใหม่หากแต่เป็นวัตถุปโปร่งตาชนิดหนึ่งซึ่งมีความหนาและแข็งแรงคงทนยิ่งคล้ายๆจะเป็นผลึกหินคงทนที่เจรนัยไว้ต่อมาเขาก็ก้าวเข้าไปทางฝาครอบด้านศีรษะใช้มือทั้งสองโอบพยายามจะขยับเพเยอะขึ้นในขณะที่ขยินกับบุญคำตรงเข้าไปทางฝาครอบด้านปลายเท้าอย่าเพิ่งดูอะไรนั่น ทันใดนั้นเชิดถาก็ร้องมาดังๆอย่างร้อนรนทำให้ทุกคนซึ่งกำลังจะช่วยกันยกฝาครอบออกชงงะงักกึกสายตาอันเบิกโพรงของท่านหัวหน้าคณะจ้องเขม็งอยู่ภายใต้ครอบแก้วนั้นไม่กระพริบดาริ้งยกมือขึ้นปิดปากอย่างลืมตัวและพินผละจากที่เดิมเพ่นเข้ามายืนริมท่านหินอีกด้านหนึ่งแล้วสิ่งอันมหัศจรรย์อีกชนิดหนึ่งก็ปรากฏขึ้นต่อสายตาทุกคนที่เฝ้าตะลึงมองอยู่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 ก็สลายตัวมอดไหมลงไปด้วยคลายถูกเผาผลาญด้วยความร้อนสูงจัดถึงขั้นเหล็กหลอมให้ละลายพันธุทุงมวดียาอย่าพิ่งดวนจากเราไปก่อนเราเสียดายความงามของท่านแล้วเราก็มาอย่างมิดอยู่กับเราก่อนดารินตะโกนลั่นขึ้นอย่างลืมสติขยักบกระทะหลันเข้าไปชิดโลงแก้วแต่เชี่ยฐาคว้าตัวน้องสาวยึดไว้มั่นไม่ยอมให้เข้าไปใกล้หรือแต่ต้องฝาครอบนั้น แล้วกระชากถอยห่างออกพร้อมกับร้องสั่งเร็วหรือทุกคนถอยออกไปเร็วทั้งหมดที่ยืนตะลึงรายล้อมอยู่ผงะหลังถอยออกไปพลัฐสมีอย่างชุลมุนห่างจากที่ล้อมเป็นวงกลมเดิมประมาณสิบเก้าชั่วกลัอนใจต่อมานั่นเองสิ่งที่เหลืออยู่ภายใต้ครอบแก้วก็คือฝุน่นหรือ ก, กองขี้เท่าสีเทาซึ่งวางเป็นแนวตามรูปกายอันเมื่อไม่กี่พริบตาที่แล้วมานี่เอง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 โดยไม่มีวี่แววว่าจะเกิดจากความร้อนเผาไหมา้ล่้งแต่ฝาครอบนั่นสิมีอุณหภูมิผิดปกติไปกว่าเดิมหรือเปล่ากรบพินค่อยๆอมหลังมือแตะสัมผัสกับฝาครอบดูจนทั่วแล้วสั่นศรีรษะยังอัดอั้นตันความคิดเชิาทดลองแตะบ้าปกติเหมือนเดิมทุกอย่างครับไม่มีความร้อนเพิ่มขึ้นเลยเธอไปละไปพ้นจากสภาวะอันทุกทรมานทั้งปก จอมพราน พ, พืมพำมตาจ้องอยู่ที่กองขี้เท้านั้นรีซึมลงไม่มีอะไรที่เราควรจะหน่วงเหนี่ยวร่างในลักษณะผีดิบและวิญญาณที่ถูกจองจำบีบบังคับของเธอไว้อีกต่อไปแล้วละ่ะเราควรแต่จะอ น, อนุโมทนายินดีด้วยผมไม่เข้าใจที่คุณพูดอรพินคำพีและกริชที่อยู่ในมือของคุณชายนั่นแหละครับที่ถอนคำสาปอันอาถรรพ์ร้กาบทั้งมวลออกหมดสิ้นแล้ว คำสาบได้เสื่อมอิทธิฤทธิ์ลงในทันทีที่คุณหญิงเป็นคนทันลาเข้าไปกระชากกริบให้หลุดพ้นจากการปักตรึงอยู่บนเล่มคัมภีร์ปริญามน์ทั้งหลายที่ปกคลุมอยู่เหนือนิทรานครเป็นอันสุดสิ้นวิญญาณที่ถูกจองจํากักขังทั้งหลายในอาณาจากักรนี้พ้นกรรมได้รับการปลดปล่อยหมดแล้วร่างกายที่คงทนอยู่ในสภาพผีดิบของพันธุมวดีจึงถึงการสลายไปและนั่นย่อมหมายถึงอิสรภาพ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 ให้กลายมาเป็นสิ่งอันสยดสยองที่สุดเป็นการลงทันทรมานหรือเป็นการผูกไว้เพื่อวัตถุประสงค์เร้นรับอะไรชนิดหนึ่งที่เราจะต้องค้นคว้าต่อไปเธอตกอยู่ในลักษณะาธาตุที่ถูกบีบบังคับกลางคืนกลายร่างเป็นค้างคาวบินออกสูบเลือดสัพพสัตต์กลางวันก็จะกลายเป็นสตรีสาวสดสวยกลับเขามานอนหลับสนิทอยู่ในโรงแก้วนี้ความเปล่งปลั่งสุดชื่นที่ได้รับในร่างกาย มาจากเลือดที่ซูบเซบมาจากเหยื่อประกอบกับฤทธิ์มนลูกปืนหรืออันตรายในระดับโลกสามัญไม่สามารถจะเป็นภัยหรือฆ่าเธอให้ตายได้บังเอิญหรือเกินหอกที่ผมปักอกเธอในขณะที่มีสภาพเป็นข้างคราวนั้นเป็นสิ่งอาถรรพ์พอๆกันเวทมนต์คาถ า, าที่กำกับอยู่ไม่สามารถจะแก้ไขปัดเป่าได้หอกไม้จึงไม่สามารถจะถอนออกได้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 เหมือนกับว่าเรากำลังยืนอยู่ในโลกแห่งความฝันเอาล่ะเราลองมาตรวจสภาพของไอ้ผีตายซากเหล่านั้นดูให้แน่ชัดต่อไปอีกมันลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวและเล่นงานพวกเราได้ยังไงเมื่อครู่ใหญ่ๆนี้ทุกคนกระจายกันออกตรวจพิจารณาดูตามร่างกายของซากศพพันปีที่นอนระเนระนาดอยู่เกลือนห้องซึ่งเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วมนันเองพวกมันมีอาการราวกับคนมีชีวิตและวิญญาณ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 เดิมทีมันถูกเก็บไว้ในช่องซองเหล่านั้นในลักษณะสุสารคณะของรบพินที่ล่วงหน้าเข้ามาก่อนไม่ทันได้สังเกตเหินแต่แรกเองคู่ใหญ่ต่อมาทั้งหมดต่างมาชุมนุมกันอยู่ริมโรงแก้วของพันธุมวดีผู้กลายเป็นกองขี้เท่าอีกครั้งยังมีปัญหาอีกมากมายนะักที่จะต้องคลี่คลายในลำดับต่อไปแต่เชฐาหันมาให้ความสนใจกับคำพิมายาวินก่อนอื่น ขณะนั้นแสงของสายยันหักการที่สาดลอดเพดานโว่ลงมาสลัวรางลงเป็นลำดับพระพินสั่งให้ขยินบุญคาและส่างปาสามคนออกไประวังคุมเชิงเป็นยามสังเกตการอยู่ยังบริเวณปากทางเบื้องนอกเพื่อความไม่ประมาท น, นี่เราจะทำยังไงกันดีกับคำพีเล่มนี้นะหัวหน้าคณะขอความเห็นไม่มีอะไรดีไปกว่าเผาทาลายครับ ยอมพานตอบโดยไม่มีอาการลังเลแต่ดารินก็กล่าวแทรกมาโดยเร็วว่าแต่ก็ไม่ควรจะรีบทำลายมันซะก่อนที่เราจะศึกษาพิจารณามันให้ถีถ่วนที่สุดนะถึงยังไงมันก็เสื่อมอำนาจและตกอยู่ในกำมือของเราแล้วอืมน้อยพูดถูกนะอย่างน้อยที่สุดเราก็ควรจะตรวจ ด, ดูมันให้ละเอียดซะก่อนที่จะทำลายพี่ชายเห็นด้วยสุดกายลงบนแท่นหินเรียบริมเสาหากักต้นหนึ่ง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 เสียงดังกึกก้องชนิดหนึ่งกังวานสะท้อนหุบหินและเขาเตียเต้ยๆที่แวดล้อมอยู่มากระทบโสดประสาทท่ามกลางความเงียบสงัดกำปนาชนิดนั้นมันดูเหมือนจะดังมาจากระยะที่ไม่ห่างไกลออกไปนี่เองเชิดถาถลันพรวดขึ้นยืนและใครต่อใครก็ร้องมาเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียงป้านไรสั้นแน่นอนแต่มันดังมาจากด้านไหนนี่โหวนหน้าคณะร้องเร็วปรือหันขวับไปมองตาระพินนิ่ง จอมพลันถลันปราดจากที่เดินตรงไปยังปากทางออกอย่างรีบร้อนเป็นเวลาเดียว ก, กันกับที่สางตาขยินและบุญคําซึ่งออกไปเฝ้ายานดูแลเราอยู่เบื้องนอกก็วิ่งหน้าปื่นสวนเข้ามานายมีเสียงปืนดังมาจากใกล้ๆนี่เองคนเหล่านั้นชิงกันรายงานและล่ําละลักและพินวิ่งออกสู่ป่าหินเบื้องนอกโดยเร็วกระโดดขึ้นไปยืนอยู่บนกองหินอันเป็นซากอันปราหักพังของแหล่สานแห่งนครโบราณ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 ขยินและสางตาชี้มือพร้อมกับร้องบอกเออะแต่ก็เถียงกันเองในระหว่างบุญคํากับขยินปาพานเท่าว่ามาจากเนินเขาเตียเต้ยๆทางด้านใต้แต่ขยินชี้เบนไปยังเขาหรือเนินอีกลูกหนึ่งทางด้านตะวันตกเชื่อวากราดสายตาตรวจนับจํานวนคนทั้งหมดในคณะของเขาเพื่อแน่ใจว่าในคณะทั้ง9้าคนนั้นชุมนุมกันอยู่ครบโดยไม่ใช่มีใครขาดหายไปซึ่งจะทําให้เชื่อว่า เสียงปืนอาจ ด, ดังมาจากบุคคลในคณะที่ขาดจำนวนไปนั้นแล้วก็พบว่าไม่มีใครขาดหายไปเลยตัวเขาเองเกิดเสยจันขยินส่างปา่าหกคนที่มาด้วยกันเพิ่มเติมกับระพินดารินและบุญคำอีกสามรวมเป็นเก้าครบท้วนพร้อมหนะ้าสองค น, นเถียงอะไรกันหัวหน้าคณะถามขึ้นอย่างร้อนใจ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 ดารินวราริศก็ชักปืนสั้นออกจากซองข้างเอวชูแขนขึ้นไปเหนือศีรษะกระดิกนิ้วลั่นไกลเปรียงเสียงจุด357หมเจ็แมกนัมดังสะท้านแหลมไปทั้งป่าหินและหุบเขาโลนเกลี้ยงที่แวดล้อมอยู่รอบด้านนั้นทั้งหมดมทั้งหมดไม่ทันรู้ตัวสะดุ้งเฮือกเพราะกำ บ, บนาตของกระสุนระเบิดแผลเข้าแก้วหูในระยะใกล้แต่แล้วก็เข้าใจความหมายของผู้ยิงได้ทันที ร่อนไว้ดีเหลือเกินและสามารถตัดสินใจได้เร็วกว่าทุกคนที่ลืมความจริงไปซะชั่วขณะพอปืนจากดารินกึกก้องออกไปทั้งหมดก็กลั้นใจสงบนิ่งเงี่ยหูฟังไม่ถึงช่วงอึดใจต่อมานั่นเองเสียงตูมส น, นก็สะเทือนเลื่อนลั่นตอบมาตั้งแต่เสียงสะอ้อนกับขนังเขาที่แวดล้อมอยู่ดังซากลับไปกลับมา ทั้งหมดเทพจะกระโดดขึ้นด้วยความไปติ ย, ยินดีเหลือที่จะกล่าวดารินโผลก็กอดพี่ชายแน่นร้องออกมาด้วยเสียงตะโกนดังลัน่นชัยยันกับเม่แม่แล้วโอ้พระผู้เป็นเจ้าพระพิณกระโดดลงมาจากยอดเนินหินผ่านกลางเสียงร้องโบเบเอ็ดอึงของพวกพรานพื้นเมืองเข้าหน้าอันเครียดคลั่กระด้างราวกับหินของเขาบัดนี้สดใสแช่มชื่นขึ้นในทันทีเชษฐาวรารทธิ์ยิ้มออกมาได้เป็นครั้งแรก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 แต่ก็เงียบสงบไม่ได้ยินเสียงกู่ตอบหรือมีระแคะระคายเพิ่มเติมของเจ้าของเสียงปืนให้ได้ยินมาอีกเลยจอมพลันขมวดคิ้วด้วยความสนเทเล็กน้อยระยะขนาดนี้เขาแน่ใจว่าเสียงกู่ควรจะได้ยินถึงกันแล้วภูมิประเทศก็โปร่งโล่งไม่มีอะไรเป็นที่กำบังตาทึบนักนอกจากตาหินที่งอกอยู่เป็นหย่อมๆทั้งสองฝ่ายน่าจะมองเห็นตัวกันได้ในที่สุด สิบนาทีหลังจากนั้นคณะทั้งเก้าคนก็ขึ้นมายืนงงอยู่บนไหลเนินตอนหนึง่งช่่ยกันกวาดสายตาและกูลั่นไปหมดไม่มีเสียงใดกระตกกระตกักยังไงซะแล้วแะก็เสียงปืนเมื่อกี้มันดังอยู่ใกล้ใกล้แค่นี้เองถ้าสองคนนั่นอยู่ใกล้ก็ควรจะได้ยินเสียงกูแล้วสิเชษฐาอุทานออกมาอย่างแปลกใจแวกังวลเริ่มปรากฏขึ้นอีก รัพินมองสำรวจไปรอบๆภูมิประเทศนั้นอย่างไตร่ตรองพระเอองก็แปลกใจไม่น้อยไปกว่าหัวหน้าคณะเช่นกันพวกพลานพื้นเมืองก็พูดถกเถียงปรึกษากันพึมไปหมดบางคนต่างกระจายออกช่วยกันมองหาและกูเรียกอยู่เช่นนั้นอีกพักใหญ่ลยิงอีกสักนัดสิครับคุณหญิงรัพยินหันมาบอกดารินผู้ยืนกระพริบตางงอยู่ข้างพี่ชายลอนยิงปืนสั้นขึ้นฟ้าอีกนัดหนึ่ง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 ทั้งที่มาของต้นเสียงและทั้งเป้าหมายที่หัวกระสุนเล่นไปกระทบมีระยะใกล้หรือเกินเสียงเกิดกับเสรยร้องเอะอะวยวายชีย้ดูตำแหน่งหมู่หินเบื้องล่างที่มีม่านฝุ่นขาวตลบเพราะอำนาจลูกปืนกระทบส่วนสร้างตากับจันก็ชีโบชีเบไปทางไหลเนินด้านซ้ายมือไม่ห่างออกไปนักหลยเห็นเหลื่อมสลับซับซ้อมกันอยู่ด้วยก้อนหินใต้หน้าผาเสียงลงเลงเอ็ดอึงไปหมด แล้บุญคำกับขยินก็ออกวิ่งล่วงหน้าตรงไปยังตำแหน่งที่มาของเสียงปืนก่อนไปขึ้นไปตามก้อนหินที่งอกเป็นโขดเขินเหล่านั้นด้วยความแน่ใจในทิศทางของเสียงไปเถอะครับคุณชายยันมิชนะ น, นก็เมหรือไม่ก็ทั้งสองคนนั่นแหละหยุดต้องหมู่หิน ใ, นใกล้ที่เห็นอยู่นั่นเองดวงชะ ง, ง่อนที่ยื่นลำออกมานั่นเสียงปืนนี่มันดังมาจากตรงนั้นแน่นอนขยินกับบุญคำวิง่งเข้าไปก่อนละ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 โผปลายออกมาจากช่องหินด้านชิดพื้นเบื้องต่ำยาวพ้นออกมาประมาณหนึ่งศอกที่ปลายลำกล้องมีผ้าพันคอผืนหนึ่งผูกติดอยู่และกำลังแกว่งไกวยอยู่ไปมาตามรัดสมีเท่าที่ลำปืนจะเคลื่อนไหวใส่ไปได้อยากช่องโหว่แค่ประมาณคืบเดียวซึ่งที่ปากกระบอกปืนแทงโผล่มานั้นเห็นปลาดเดียวก็รู้ว่ามันเป็นฮอลแลนด์แอนฮอลแลนด์ขนาดจุด600 n นโ r ซึ่งชา ย, ยันใช้ประจาอยู่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 เดิมมีหินก้อนใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเตีนผาปิดกั้นไว้เมื่อมาอยู่ตรงปากช่องเช่นนี้ก็พอจะได้ยินเสียงตะโกนออกมาภายใต้ได้อย่างขนัดขุนชัยยันระพินตะโกนอีกครั้งนี่ผมระพินสวรรค์เจ้าค่าเทวดาไวเสียง ต้องตอบออกมาทำให้จอมพรานยิ้มออกมาด้วยความหวังอันแก่มใสที่ไหนที่นั่นชัยันอันนันไรมีลมหายใจอยู่ด้วยอารมณ์ขันแม้ว่ามันจะเป็นลมหายใจห้วงสุดท้ายของเขาก็ตามผีไม่ได้หลอกคุณหรอกผมรับพินไรวันจริงๆเป็นยังไงมั่งล่ะครับปลอดภัยเรียบร้อยดีหรือเปล่า โอดภัยก็ผีอะไรล่ะถูกฝังทั้งเป็นตปจอใต้ภูเขาในร่วม28ชั่วโมงแล้วชายันผู้ได้ยินแต่เสียงโวกออกมาพร้อมกับหัวเราะแบบเยยฟ้าทานรกน้ำเสียงของอดีดนตนายทหารปืนใหญ่แม้จะแห้งกระด้างแหบเหือดเช่นไรก็ยังเจือไปด้วยความคื้นเครงตลอดเวลาดูเหมือนว่าเขาไม่ได้อาทอเป็นทุกร้อนอะไรกับอนาคตของตนเลย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 แม่อยู่ในนั้นหรือเปล่าครับอยู่ครับก็อยากง้อ เ, เท่าๆกันนะก็เลยตั้งติดอยู่ด้วยกันนี่แหละคุณรู้ไหมแม่กกำลังจะทำบาร์บีคิวสเต็กยังขาดน้ำซอสกระ บ, บาลดียกํกำลังปรึกษาหารือกันอยู่นี่ บาร์บีคิวสเต็กเหรอครับอืมใช่เอาเนื้อมาจากไหนล่ะโอ๋ยเยอะแยะคุณมีไอผีตายซ่าหลายสตว์วัเก็บสต็อกไว้ในนี้เยอะแยะเลยคุณแตละตัวน่ากินทั้งนั้นเลยเสียอย่างเดียวเนื้อมันแข็งไปหน่อยคุณ ด่ารินหัวเราะออกมาได้ทั้งน้ำตาเช้งกหน้าเข้าไปตะโกนว่าขนาดจะตายอยู่รอมร่อแล้วยังหัวเราะอยู่ได้เสมอนะชยันน้อยนั่นเธอเลเสียงตะเบงสวนลั่นออกมาอย่างตื่นเต้นฉันเองตั้งใจดีๆไว้ชยันเราอยู่กันครบฉันพี่ใหญ่ แล้วพินแล้วทุกๆคนตอนนี้เราอยู่ที่นี่กันทั้งหมดจะหาชางช่วยเธอโอ้ยสวรรค์ทรงโปรดไม่ได้ฝันนะแกไม่ได้ฝันไม่รอกชยันมันเป็นเรื่องจริงเช่้ทาตะโกนบอกเข้าไปบ้างด้วยน้ำเสียงอันสันเครือไปด้วยความโสมนัสปิติใจ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 หินก้อนนี้นะมันใหญ่เหลือเกินเชื่อมติดกับแนวเดียวกับหน้าผาส่วนนี้ทั้งหมดซะด้วยสิเราต้องเป็นยักษ์โกลแอดหรือแซมซัน่นที่เดียวครับในการที่จะ ง, ง, ง้างแบะหรือหักมันออกเชี่ยวถากาบไฟฉายในมือตนเองไปที่บริเวณพื้นเบื้องต่ำตรงปากช่องทางลองพิจารณาเฉพาะที่ตรงปากช่องรอยโหว่นั่นสิเราอาจขุดขยายเบิกทางให้กว้างออก พอที่จะให้สองคนนั้นคานลอดออกมาได้ก็น่าดูทีเดียวครับคุณชายอย่าว่าแต่พวกเราจะไม่มีเครื่องมือกันเลยบอกว่ใช้อีเตอร์ครบตามจํานวนคนที่เรามีอยู่กว่าจะช่วยกันขุดเบิกช่องนั้นออกไปพอสองคนนั่นคานรอดออกมาได้ผมก็ว่าต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะครับแผ่นใหญ่บอกแผ่วเบาเดนนามัคุณว่าเป็นยังไงบ้าง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 เดี๋ยวนี้เขาหมดสิ้นกังวลใดๆทั้งมวลลงแล้วถ้างั้นลองหยั่งความเห็นของคุณชัยันกเมดู ก, ก่อนแล้วกันครับเรายังไม่รู้สภาพภายในของอุโมงค์ใต้ดินนั่นว่ามันจะเป็นยังไงถ้าใช้ระเบิดโดยไม่รอบคอบระมัดระวังเท่าที่ควรดีไม่ดีจะกลายไปว่าฝังสองคนนั่นโดยไม่มีโอกาสช่วยเหลือใดๆได้เลยและทั้งสองคนก็ตรงกันมายัางปากช่องอีกครั้งชัยยัน แกเข้าไปตีอยู่ใต้ภูเขานั่นตังต้งแต่เมื่อไหร่เชีย่ยวาตะโกนสอบถามเข้าไปเราบ่าย4ีโมงของเมื่อวานนี้เสียงชา ย, ยันร้องบอกออกมาเหมือนเป็นการคุยกันตามปกติไม่ได้มีวิแววของความวิตกกังวล ใ, ใดๆอยู่ในน้ำเสียงทั้งสิน้นตรงข้ามกับฝ่ายที่กำลังจะหาทางช่วยเหลืออยู่เบื้องนอกตอนฝนตกหนักใช่ไหมครับ ย่มพรานถามเข้าไปบ้างใช่ตอนนั้นเลยแต่ขณะที่เข้ามาถูกขังเป็นหนูติดกลับอยู่ฝนเริ่มจะซาเม็ดลงบ้างแล้วแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นท่าไหนเล่าบุธช่วยหาทางอาตมาเอาไว้ก่อนดิแล้วค่อยคุยกันไว้ได้หรอเช่ถาหัวเราะเราต้องการรู้สภาพภายในของโพรงใต้ดิน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 ถึงอยากจะรู้สภาพภายในให้แน่ใจซะก่อนเชื่อถาตอบพลางหัวเราะอ้าวย่างนั้นเรอชัยยันว่าและประโกนเล่าคร่าวๆให้ทราบว่าเขากเมเข้ามาถูกติดขังอยู่ภายในโพรงดินนั้นได้อย่างไรนี่อย่าไปเสียเวลาสำรวจปากทางที่ฉันลงมาให้ยากเลย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 เหมาะควรกระช่องทางหน่อยตรวดูบริเวณแวดล้อมข้างนอกนั่นให้รอบคอบว่ามันมีหินส่วนอื่นที่จะทะลายลงมาหรือเปล่าประโยคหลังอดีตนายทหารปืนใหญ่ผู้ชำนาญในด้านวัตถุระเบิดโดยเฉพาะสั่งสอนตักเตือนออกมาสิอาการของเขาเต็มไปได้วยขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมไม่ต้องห่วงว่าจะข้างในเธอ ระหว่างที่เราใช้ระเบิดข้างนอกมีบริเวณมั่นคงบริเกกเมจะถอยไปหลบอยู่โดยหินข้างในไม่ถล่มลงมาทับหรือเปล่าสบายมากข้างในนี่จะเป็นห้องใต้ดินที่กว้างขวางสลับซับซ้อนและก็แข็งแรงมากเป็นสุสานไว้ศพดึกดำบรรที่จอเข้ามาใตา้ภูเขาทั้งลูก ตอนที่ฉันมองคอยความหวังอยู่นี่เป็นบริเวณเพาดานห้องส่วนหนึ่งที่ชอนขึ้นมาคล้ายๆจะเป็นทางเข้าออกของสัตว์เลือานบางชนิดเราค้นพบเข้าโดยบางเอินหลังจากพยายามหาทางออกอยู่นานและมาอัดจนสิ้นท่าอยู่แค่ออมนี้เองยกเว้นแต่จะแปลงตัวเป็นงูเล็กๆได้เท่านั้น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 เอางี้แล้วกันผมจะให้เกิดเสยจันทร์ขยินแล้วก็สางตาทั้งห้าคนเลยไปด้วยกันหมดนอกจากระเบิดแล้วก็ให้เอาสเสบียงเผื่อมาด้วยดีเหมือนกันครับพี่ใหญ่ดารินรีบสืบมาโดยเร็วยกมือขึ้นลูกคํำคออันแห้งฝืดยิ้มออกมาอย่างแห้งแรงอย่าว่าแต่ชายยันกับเมที่ติดอยู่ในนั้นเลยน้อยบุญคําหรือแม้แต่พรานใหญ่เอง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 ที่จะมอบหมายให้แยกไปเอาระเบิดและสเสบียงระพินก็พยักหน้าให้ผู้ร่วมคณะอีกสี่คนเข้ามาร่วมรับทราบจุดประสงค์ด้วยมันเป็นการเดินทางในเวลากลางคืนแต่เมื่อพิจารณาถึงบุคคลทั้งห้าแล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องห่วงกงังวลว่าจะเกิดอันตรายหรือหลงทางนี่ระวังตัวให้มากนะอย่าประมาทเป็นนันขาดเรายังไม่หมดศัตรูไอ้ผีดิบมันไตรกับไอ้โครงดำนั่นยังอยู่ เจอมพรานสั่งกำชับคนเหล่านั้นเป็นคร้งสุดท้ายไหยไม่ต้องห่วงให้มันเพลนหน้าออกมาเถอะจันคำรามอยู่ในลำคอด้วยความเดือดแค้นบุญคำก็เดินออกมาส่งหอกไม้ให้อ่ะไอ้จันเอ็งมาถือหอกโมกษักริ์นี่ไปด้วยโผล่มาเล่นงานพวกเอ็งเมื่อไรไม่ไว่าจะเป็นไอ้ผีดิบหัวโลนด้ืยอเสือระยำอัปรีจันไรนั่นเอ็งไม่ต้องยิงให้เสียลูกปืนหรอกไล่เสียบมด้วยไอ้นี่ ยันรับหอกไม้มาจากบุญคำแล้วนำอีกสี่คนแยกเดินทางหายไปในความมืด อ, อย่างรีบด่วนบริเวณนั้นจึงเหลือแต่เพียงเชิฐถากระพินดารินและบุญคำสี่คนนั่งเฝ้ารายล้อมอยู่ตรงปาดช่องบุญคำจัดการหาไม้มาก่อกองไฟขึ้นเชิดถาตะโกนบอกเข้าไปให้ชายยันและเมซาาว่าส่งคนไปเอาระเบิดจากที่พักขอให้อดทนรออีกสักพักและเอากระปิกน้าขนาดลิตครึ่ง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 คงจะเป็นเพราะอ่อนเพรียและสิ้นกำลังลงเต็มทีนอกจากนานๆก็จะให้เสียงตอบมาสักครั้งเมื่อเชษฐถาฤชาดารินเรียกเข้าไปสำหรับดารินนั้นหล่อนคอยเรียกเข้าไปแทบจะทุกระยะหนาทีทุกคนข้างนอกประหนักได้ดีว่าสองคนที่ติดอยู่ภายในบอบช้ำสะบักสะบอมมากเพียงแต่ท่าทรหดและความเข้มแข็งประจาตัวทาให้ไม่แสดงอะไรออกมาให้เห็นชัดเท่านั้น เป็นครั้งแรกของระยะเวลาเกือบอาทิตย์ที่รพินและดารินมีโอกาสได้สูบบุรี่อีกครั้งไม่ใช่ถางงัดออกมาให้จากย่ามหลังทั้งสองจุดอัดควันอย่างกระหายเพื่อบรรเทาความหิวโหวยและดารินก็แบ่งออกเคี่ยวส่งไปให้ใชยายันกามาเรียโดยวิธีเดียวกับการจัดส่งน้ำเสียงมาเรียดังลั่นออกมาอย่างดีใจโอ้แทงกอดขอบใจพี่ใหญ่เธอ อย่าขอบใจกอดเลยเพราะเขาเป็นคนที่มีบุรีมาให้เราด้วยดารินพูดกรอกปากช่องพี่ใหญ่ก็เปรียบเสมือนกอดของฉันเหมือนกันมาเรียบอกออกมาบนหัวเราะคุณชายแน่ใจเหรอครับว่าสัมภาระของเราที่ทิ้งไว้ยังที่พักโดยไม่มีใครเฝ้าเลยนะมันจะไม่สูญหายพรานใหญ่ถามหัวหน้าคณะบเบา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 หรือมิฉะนั้นก็ขโมยเคลื่อนย้ายเสมอมันก็ต้องเสี่ยงกันดูล่ะภายหลังจากนิ่งคิดเชษฐาก็ตอบอย่างเริ่มกังวลบ้างประเดี๋ยวก็คงรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นยังที่พักของเราหรือเปล่าตอนที่พวกนั้นกลับมาคุณชายว่ามีสังหรณ์อะไรหรอครับที่ทำให้ออกเดินทางมาพร้อมกันหมดจนกระทั่งพบพวกผมแตะพินกล่าวฐานต่อไป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 เวลาประมาณสักบ่ายสองโมงเสร็จสี่นี่เองระหว่างที่เราชุมนุมกันอยู่ที่แคมป์พร้อมหน้าทั้งหกคนแง่าสายก็กลายเข้ามาให้เห็นแง่าสายเหรอครับอืมใช่แง่าสายอาการของมันแปลกมากล่ะมันมายืนปรากฏตัวให้เห็นอยู่ชายป่าไม่ห่างออกไปนักมีหนําซ้ํายังโบกมือเรียกขยินกระจันขยิงกระจันก็เลยไล่กวดมันก็แผลหนีพอรับตาสองคนนั่น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 ว่าแง่ไซนำผมเพื่อให้มาพบคุณน้อยแล้วก็บุญคำในนาทีคับขันที่สุดอย่างที่เผชิญผ่านกันมาแล้วน้อยนึกแล้วเชียวว่าต้องแงซายแน่ๆ่ที่เป็นตัวการดึงพี่ใหญ่ให้มาพบกับพวกเราดารินร้องออกมาดะพินไทรวันฟังคำบอกล่าของเจษฐาด้วยอาการสงบเขาไม่มีข้อพิสวจอันใดทั้งสิน้นเพียงแต่พยายามลาดับเหตุการ เปรียบเทียบเวลากับที่ตนเองได้ผ่านพบมาดารินก็รีบเล่าให้พี่ชายฟังถึงเหตุการณ์ที่ฝ่ายของตนเริ่มตน้นออกติดตามรอยของพี่ชายในเช้า ว, วันนี้เล่าถึงรอยเท้าของแง่ทรายและพวกกองกอยที่เลาะเรียบชายฝั่งห้วยมาตลอดและแยกทางไปอีกด้านหนึ่งโดยรพินคงมุ่งที่จะยึดแนวลำห้วยต่อไปจนกระทั่งมาพบบริเวณที่ตั้งแคมป์ครั้งสุดท้ายของเจถาเหนือฝั่งลำห้วยตอนหนึ่ง ในจนกระทั่งมาพบเข้ากับพันธุมววดีผู้บรรทมนิ่งอยู่ในครอบแก้วของปราศาสตรร้างถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าเราหวางที่คณะของเธอเดินบ่ายหน้ามาทางปราศาสตรร้างเงซายก็แยกไปอีกทางหนึ่งเพื่อไปตามพี่ให้ตรงไปยังปราศาสตร์ร้างนั่นเองเชษฐาว่าน้อยเถียงกับพานใหญ่ตรงที่เราพบรอยแยกทางจากฝั่งห้วยนั่นแหละล่ะค่ะน้อยเชื่อแน่ว่า เงยสายจะต้องนําเราให้ไปพบกับพี่ใหญ่แต่รพินเชื่อแน่ว่าเงายสายจะต้องนําไปทางอื่นและบอกว่าถ้าต้องการพบพี่ใหญ่ต้องยึดแนวลําห้วยต่อมันกลับกลายเป็นว่าพานใหญ่ไปพบเข้ากับปราสาทพันธุมวดีเข้าก่อนถ้าเลือกตามทางด้านเงยสายก็คงพบพี่ใหญ่ก่อนแล้วละ่ะถึงยังไงก็ตามเราก็มีจุดนับพบกันที่ปราสาสพันธุมวดีโดยที่ต่างฝ่าย ต่างไม่รู้ตัวมาก่อนรันใหญ่ไปพบข้าวเพราะตามรอยค้นหาคณะของพี่โดยความเชื่อมั่นของเขาส่วนพี่ไปที่นั่นเพราะเงาทรายชักนําไปแต่ถึงเงาทรายจะไม่นําพี่ไปที่นั่นและถ้าไม่เกิดเรื่องร้ายขึ้นที่ปราศาทตร้างภายในก่อนค่ําวันนี้ระพินก็คงจะตามไปถึงแคมป์พี่แน่นอนเพราะมันใกล้กันแค่นี้เอง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 แล้วผมก็ได้ยินเสียงร้องเอะอะแท่ไปหมดดังมาจากตัวปราศาสตข้างในดูเหมือนจะเป็นเสียงกรีดร้องของน้อยนะใจเดียวก็มีเสียงปืนลั่นทีรัวแล้วก็เห็นเงาของมันไรกระแงยทรายกวดไล่กันออกมาเห็นในพวกผีดิบที่แหออกมาจากซากหินรอบด้านไปหมดตอนนั้นเองที่พวกผมยิงและตะโกนให้เสียงก็ไปพระพินกับดารินก็พลันลําดับภาพไปชนกันทันทีที่เชษฐาบอกความจบ ขณะนั้นเองก็มีเสียงกูวกเวกแววมาแต่ไกลาจากทุ่งหญ้าเบื้องล่างพร้อมกับลำไฟฉายหลายดวงที่สาดวอกแวบสบังเกตเห็นได้ถนัดทุกคนที่นั่งล้อมวงพูดกันอยู่ลุกขึ้นยืนทันทีบุญคำร้องออกมาอย่างยินดีว่าพวกนั้นกลับมาแล้วล่ะนาย